ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแต่จะเป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงเท่งนั้นแต่ว่ายังเป็นทุกข์ด้วยก็อาจจะมองดูได้ไ ง, ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายนะสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของมันก็ไม่เที่ยง <c oughs> เห็นได้ด้วยตา แต่พอพูดว่าสิ่งทั้งหลงยปวงเป็นทุกข์ก็อาจจะมีความสงสัยขึ้นมาว่าเออคนไม่เป็นทุกข์ก็เข้าใจอยู่สัตว์เป็นทุกข์ก็เห็นได้ง่ายอยู่แต่ว่าสิ่งของนี่เช่นหินภูเขาบ้านเรือน รถยนต์มันเป็นทุกข์ได้ยังไงเพราะมันไม่มีจิตใจทุกข์ในที่นี้นี่มันหมายถึงว่าการถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือถูกบีบคั้นด้วย ่งที่ประกอบมันขึ้นมาทำให้มันมีแนวโน้มที่จะผุพังเสื่อมสลายไปเรื่อยๆเป็นลำดับเ mm. ช่นร่างกายล้าก็เหมือนกันมันก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อไปถึงเซลล์ ไม่ว่จะเป็นเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะพวกนี้มันก็มีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็พราะว่ามันแปรเปลี่ยนไปมันก็เลยเกิดผลรวงคือทําให้ร่างกายที่มันถูกบีบคั้นเช่นถ้าเกิดอวัยวะหนึ่งเสียไปหรอือว่าเกิดเลือดมันเสียไม่ดีร่างกายก็จะถูกบีบคั้น ผลก็คือความเจ็บความป่วยสิ่งของต่างๆก็เช่นเดียวกันมันถูกบีบคั้นด้วยให้ปััจัยต่างๆแดดเอยความชื้นเอยลมเอ้ยอุณหภูมิเยก็มันก็ไปเร่งให้ความบีบคั้นภายในสิ่งต่างๆนั้นมันเสื่อมสลายเร็วเข้า อย่างที่เราก็เรียนรู้มาว่าแม้กระทั่งในระดับอะตอมนี่มันก็ไม่สเสถียรมีความแตกสลายตั้งแต่ระดับพื้นฐานคือระดับอะตอมดยพ่อที่เห็นได้ใช้กับพวกสารกำมะตังสีนี่มันไม่ไม่สเสถียรมากแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสารประเภทนี้ ทุกชนิดอันนี้เราเรียกว่ามันเกิดผลร่วมคือทําให้เกิดความบีบคั้นขึ้นมาทําให้สิ่งมีชีวิตและไม่สิ่งไม่มีชีวิตก็ตามเรียกว่าตกอยู่ภายใต้ความทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทุกในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าถูกบีบคั้นอย่างเดียวมันแปลว่าห้บีบคั้นด้วย สิ่งต่างๆมันสามารถไปบีบคั้นไปบีบคั้นสิ่งอื่นๆได้เดยเพทาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์รถยนต์ก้าวแหวนเงินทอง หรือว่าผู้คนต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วยยิ่งผูกพันเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่มันก็สามารถจะบีบคั้นเราได้มากเท่านั้นเช่นเราเรารักลูกนะแต่พอลูกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามันก็บีบคั้นใจเรา ทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเขาจะไม่เจ็บป่วยจากเขาประพฤติตัวไม่ถูกต้องบางทีก็ถูกลงโทษการที่เขาประพฤติตัวไม่ถูกต้องไม่ดีมันก็บีบคั้นใจเราดูว่าเขาถูกลงโทษก็บีบคั้นใจเราก็ทำให้เป็นทุกข์ สิ่งของก็เบมนการรถยนต์เราหวงแหนแต่ว่าเกิดมันมีรอยขูดขีดควรขึ้นมาหรือว่ามันเสียไปมันก็บีบคั้นทำให้เราเป็นทุกข์คอมพิวเตอร์มันมีข้อมูลมากมายที่เราเก็บไว้ข้างในแล้วเกิดมันเสียขึ้นมา เป็นคนที่เกิดขึ้นเพรว่ามันบีบขั้นแล้เนี่ยที่ว่าสังขารตั้งพวงเป็นทุกข์นะก็ยังมีความหมายว่ามันไม่เพียงแต่ถูกบีบขั้นด้วยธรรมชาติที่มันเกิดดับภายในด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่มีความเกิดดับตลอดเวลาเท่านั้นแต่ว่ามันยังสามารถจะไปบีบขั้น สิ่งอื่นได้ด้วยแต่ว่าความบีบคั้นที่ว่าเนี่ยที่มันไปบีบคั้นสิ่งอื่นได้ดูว่าที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าความไปยึดถือมันถ้าเราไปยึดถือมันยึดมันถือมันในสิ่งนั้นพอมันแป่เปลี่ยนไปเสื่อมสลายไปมันก็บีบคั้นใจเรา ทำให้เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่เรายึดติดถือมั่นนั้นเป็นคนสัตว์สิ่งของสิ่งของในที่นี้รวมถึงรูปธรรมและนามธรรมาด้วยเช่นความสงบเนี่ยโอ้มันมันทำให้เราพอใจแต่พอมันแปรเปลี่ยนไปเป็นความไม่สงบเป็นความรกรทึก มันก็บีบขั้นใจเราเหมือนกันทําให้เป็นทุกข์ทำให้เกิดความอาลัยเสด็จได้ในผู้นี้แหละนะเน้เวลควาคาว่าทุกข์เนี่ยถ้าใช้คํา้าเรามาแทนด้วยคําว่าถูกบีบขั้นหรือไปบีบขั้นสิ่งอื่นเนี่ยมันก็จะได้ความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเพราเวลาเราพยายามต่อไปเข้าใจว่า ขนนันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเป็นทุกข์ขันห้าที่ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทุกข์ในที่นี้เนี่ยก็จะเร็งหมายถึงว่าพอไปยึดมั่นถือมั่นมนเมื่อไหร่มันก็จะบีบคั้นเราได้มากท่านั้นแต่ถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่บีบคั้นเราแต่ว่ามันก็จะยังตกอยู่ภายใต้การถูกบีบคั้น ด้วยสิ่งอื่นเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่พูดเมื่อวาว่าสังขารทุกตาก็คือสภาวะทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทํำให้สิ่งต่างเนี่ยตกอยู่ภายใต้การถูกบีบคั้นผ่านทั้งข้าก็ไม่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องถูกบีบคั้นด้วยสิ่งต่างๆเป็นธรรมดาเช่นร่างกายนี้มันก็ ต้องถูกบีบคั้นทำให้เกิดความแก่ความเจ็บและในที่สุดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ตายแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้ร่างกายนี้มันก็ไปบีบคั้นเราไม่ได้ก็คือว่าป่วยแต่กายแต่ว่าใจาไม่ป่วย ผูเจ้าตัดว่าป่วยกายนี่ภาษาลิบุตภาษาริบุตรพูดว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจทำได้อย่างไรท่านก็อธิบายว่าเมื่ อ, อรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขามวิญญาณก็ดีถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา ไม่คิดว่รูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาเป็นของเราเมื่อมันแปรปวนแตกดับไปก็ไม่เกิดความทุกข์โทมนัสเกิดความร่ำไรลําพันความคับแค้นใจอย่างนี้แหละที่เรียกว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจก็คือว่ารูปเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นหรือมันถูกบีบคั้น อันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่ว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่สามารถจะบีบคันให้เราเป็นทุกข์ได้คือบีบขั้นใจ ต, ตรงนี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญหัวใจหรือปัจจัยทําให้ผู้คนเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์ใจก็คื อ, อตัวความยึดมันถือมันที่เราอุปทานนั่นเอง อุปทานเปสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตามธรรมชาติแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัย <Okay. S 1> เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากตัณหา mm hmm. เกิดขึ้นจากตัณหา mm hmm. ความอยาก <Okay. S 1> ความอยากที่ไม่ใช่อยากเฉยๆแต่เป็นอยากเพื่อ mm hmm. เพื่อ เสพสวยเวทนาหรืออยากจะหาเวทนามาผลเปลือตนรวมทั้งความอยากให้ตัวตนนั้นมันคงอยู่ยั่งยืนหรือว่าโดดเด่นอันนี้เรียกว่าเรียกลมร่วมตัณหาซึ่งมันทำให้เกิดอุปาทานขึ้นก็ลองดูก็แล้วกันสิ่งที่เรา ติดมันถือมันเนี่ยก็เพราะว่ามันมันเป็นไปด้วยอำนาจของความอยากและความอยากเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลสืบเนื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากอเวทนานั่นเองอะไรที่มันให้เวทนาที่สุขหรือสุขเวทนาแก่เราเราก็อยาก ที่จะครอบครองมันหรือว่าอยากที่จะเสพสวยเวทนานั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วตัญหาจะต้องเกิดขึ้นตามมาด้วยก็ไม่เสมอไปเมื่อมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้ว เกิดความยินดีในเวทนานั้นมันก็เกิดตัณหาแล้วก็นําไปสู่ปัจทานขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยินดีในเวทนานั้นมันก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดต่อสําคัญในทางพุทธศาสนาคือเวทนานี่มันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ มนุษย์เรามีมีร่างกายมีอายตนะมีประสาทสัมผัสเมื่อไปสัมผัสรับรู้สิง่งใดก็ตา ม, ท, ตาา ท, ม, มทางตานังหูทจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่การมึกคิดทางใจมันก็ต้องเกิดเวทนาอย่างแน่นหนอันนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ตาม แต่ว่ามันไม่จําเป็นว่ามีเวทนาแล้วจะต้องปรุงเป็นตัณหาหอยู่ที่ว่ามีสติรู้ทันไหมถ้ามีสติรู้ทันก็ความไม่ยินดีความยินดีความยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นการที่ปรุงเป็นตัณหา ไม่วจะเป็นการมตัณหาความอยากเสพสวยเวทนาที่น่าพอใจหรือว่าวิรูปตัณหาความอยากเป็นอยากใหญ่ซึ่งปนเปื้อนตัวตนก็ไม่มีรวมทั้งวิปภวตัณหาด้วยจะสังเกตว่าไอ้ตัวตัณหานี่ อุปทานก็ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอที่จริงมันมันมีตั้งแต่เวทนาแล้วละ่ะถ้าเวทนาเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ปุถุชนทั่วไปมันก็จะเกิดความเกิดการปรุงแต่งตัวตวนขึ้นมา เมื่อไม่มีสติก็จะปลุ่มแต่งตัวตนขึ้นมาว่าฉันปวดฉันสบายนะฉันเป็นสุขฉันเป็นทุกข์แนละตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดตัญหาขึ้นมาว่าอยากจะรักษาความสุขนี้ให้มีมากๆหรือคงอยู่ต่อไป หรือว่าอยากจะสุขมากกว่า น, นี้ถ้ามันเป็นทุกข์นะก็รู้สึกว่าฉันเป็นทุกข์แล้วฉันเกิดความอยากที่จะให้ฉันพลาดให้ฉันหลุดจากทุกข์นี้หรือให้ความทุกข์นี้มันหลุดไปจากฉันมันจะมีตัวตัวกูนี่เข้าไปพัวพันกับไอตัวตันหาอระาทานหยู่เสมอ ยังไม่ต้องพูดถึงพบชาติชรามารณะนะมันจะมีเรื่องตัวกูของกูนี่เข้าไปเป็นแกนกลางหรือเป็นพื้นฐานอยู่เสมอถามว่าตัวกูเกิดขึ้นมาแดงแล้วเพราะไม่มีสตินั่นเองนะเวลามีผัสสะเกิดขึ้นตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น น, นี้เียว่าผัสสะ ถ้ามีสติเข้าไปกำกับนะมันก็ไม่เกิดตัวกูขึ้นมาแต่พอไม่มีไม่มีสติเรียกว่าเป็นสัมผัสที่เจือด้วยความหลงอวิชชาสัมผัสนี่มันก็ก็มีตัวตนปรุงขึ้นมาว่าฉันทุกข์ฉันสุขความสุขเพราะเวทนาเป็นของฉันทุกข์เระเวทนาเป็นของฉันข่นาวนี้แหละมันก็จะต้องเกิดการ เกิดวความอยากตามมาอยากครอบครองอยาก เ, เสพสเวยหรือว่าอยากผักใสอยากหลุดพ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์นั้นเรื่องสติสำคัญมากเลยเพราะเวลาเรา รับรู้เรื่องอะไรก็ตามแล้วเวทนาเกิดขึ้นถ้าเรารู้เวทนานั้นความยินดียินร้านก็ไม่เกิดที่จะปรุงเป็นตันหาได้แต่ที่จริงเนี่ยนอกจากสเตแล้วมันมีอีกตัวนึ่สสำคัญก็คือปัญญาหรือว่าถ้าูดให้ถูกต้องคือการ การคิดให้ถูกทางที่เรายนิสงศมาสิกการยนิสมาสิกการนี้ก็เป็นกระบวนการทางปัญญาซึ่งถ้าพูดง่ายคือว่าการเวลาเกิดผัสษาขึ้นมาแล้วเวทนาตามมา แทนที่จะคำนึงแต่ว่ามันอริดอร่อยไหมถ้าอาริดอร่อยฉันก็อยากเสพอยากเสวยมากขึ้นถ้ามันไม่อร่อยฉันก็อยากผักฉันก็ปฏิเสธไม่เอาโดยให้สนมาสิ ก, กายกเข้ามามาไต่ตรองมาช่วยไต่ตรองว่าเออ มันดีไหมมันมีประโยชน์ไหมมันถูกต้องไหมให้ตรงนี้นี่มันก็ทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นได้เห็นว่ามันไม่ถูกมันไม่มันไม่มีประโยชน์ให้ความอยากที่จะเสพสวยมันทั้งทั้งที่แม้ว่ามันจะให้สุขเวทนาแก่เรามันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นอาหารที่อร่อย อร่อยนี่มันก็สุขเวทนาอยู่แล้วธรรมชาติคนเราพออร่อยเข้ามันก็ตัณหาก็เกิดทันทีนั่นคืออยากกินมากๆแต่ถ้าพออร่อยแล้วเนี่ย มียนที่สวนมิสิการเกิดขึ้นว่าเออมันมีประโยชน์ไหมนะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ไม่ถลังเข้าไปนะจนกินมู ม, มามหรือว่ากินไม่รู้จักพอหรือบางทีก็ไม่แตะต้องเลยก็ได้ถ้ารู้ว่ามันเป็นโทษ หรือถ้ากินก็กินพอประมาณดูว่าถ้ากินมากไปนี้แม้อร่อยก็จริงปลนเปลอสนองความอยากก็จริงแต่เป็นโทษกับร่างกายก็หยุดซะรู้จักประมาณไม่ได้ทำไปไม่ได้กินเพราะอำนาจของตันหหยเพียงเดียว อันนี้ก็เพราะว่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือพูดคือรู้จักประมาณการความรู้จักประมาณนี้ก็เพราะว่ามันมีดวงนิสโสมนั ส, สิการหรือว่ามีปัญญาันั้นถ้าเกิดว่าคนเรามีนิโสโดวนิโสโมน ส, สิการเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวรู้จักคิดนะมันก็ทำให้ชีวิตไม่ถูกครอบงำด้วยตันหา แทนที่จะคำนึงแต่ว่าแานที่จะแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจก็จะไม่ทําเช่นนั้นแต่ว่าจะคำนึงว่ามันถูกต้องไหมคำว่าถูกใจกถูกต้องนี่มันมันเป็นเกณฑ์ได้ในการชี่ว่าเรากําลังถูกขับเคลื่อนด้วยปัญหาหรือว่าด้วยด้วยนิสโสมนสิกาหรือด้วยปัญญา ถ้าคิดแต่ความคำหนึ่งแต่ความถูกใจนี่ก็เรียกว่าถูกตันหาครอบงำหรือถูกปัญหาตันหาพักดันแต่ถ้าเกิดว่ามีนถ้าคำหนึ่งถึงความถูกใจอถือความถูกต้องอันนี้ก็แสดงว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาถ้าเราคำหนึงความถูกต้องอเสมอเนี่ยความที่จะทุกข์เพราะตันหาจะเกิดขึ้นในน้อย เพราะว่ามันจะนำไปสู่พอมีพอคำนึงในความถูกต้องนี่มันก็จะไม่ปล่อยให้ใจนี้ทำไปตามหน้าของตันหายอย่างเดียวก็จะรู้จักความประมาณรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆด้วยโยนิโสมและสิการก็ลวมถึงว่าการรู้จักมองในทางที่ใช้ประโยชน์จากมัน เช่นเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยนี่ถ้าถ้าใช้แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสติไม่มีโยนิสวรมศิการลยมันก็ทุกขนะ์นะจิตใจก็ดิ้นเล่าร้อนอยากจะผลักใสผลักดันขับไล่ความทุกข์ความเจ็บปวดนั่นออกไปมีความกระสับกระส่ายร้อนรนนะด้วย การบีบคั้นของความเจ็บป่วยนั้นเพราะามันมีทุกเวทนาบีบคั้นจิตใจแต่ถ้าเกิดว่ามีสตินะี่มันก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสตินี่มันก็ช่วยทำให้ไม่ไม่ปรุงแต่งเป็นเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ปวดก็ทำให้ ความปวดนั้นมันเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ปวดใจไม่ถูกปิดคั้นด้วยอีกวิธีนึ่งคือการใช้โยนิีโสมนสิการก็คือการรู้จักคิดเช่นอาจจะคิดว่าเออมันเป็นธรรมดาที่คนเราต้องเจ็บต้องป่วยความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาดพอคิดในแง่นี้มันก็ทำให้ทุกเรา คามทุกข์ใจทุกเราลงได้หรือคิดว่าก็ดีเหมือนกันป่วยก็ได้พักหรือคิดว่าเออดีนะที่ป่วยแค่นี้คนหนึ่งก็ป่วยหนักกว่านี้นี่คือการมองในแง่บวกที่เราที่เราเรียกกันมองในแง่บวกหรือมองว่าเออธรรมะนี่ความจุป่วยเข้ามาแสดงธรรมให้กับเราให้เห็นถึงอนิจจังทุกครั้งหน้าตา เมื่อเรามองว่าความเจ็บป่วยนี้เขากำลังสอนทำแสดงทำกับเราใจมันก็เปิดรับยอมรับความเจ็บป่วยได้มากขึ้นไม่ปฏิเสธไม่เิดวิภพวัตตันหาที่จะผลักดันหรือผลักสความเจ็บป่วยนัออกไปโดยสมรจิการก็ช่วยวทำให้ใจนี้ไม่เป็นทุกข์ความป่วยก็ยังมีอยู่แต่เป็นความป่วยกายแต่ว่าใจนี้ไม่ทุกข์เพราะว่า ยอมรับความเจ็บป่วยนั้นได้หรือว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีการที่จะช่วยทำให้เราให้เราไม่ถูกบีบไม่ถูกบีบคั้นไปด้วยความแปรปวนต่างๆที่เกิดขึ้นกับ กายและใจรวมทั้งคนสัตว์สินของที่อยู่นอกตัวซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยซึ่งมันเป็นแค่เป็นแค่ครึ่งหลังของปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดง่ายๆคือว่าเราทุกข์ก็เพราะความปรุงแต่งนั่นเอง ปฏิจจสมุปาเป็นกระบวนการกอร่อทุกข์โดยเพราะรึ่งหลังนี่มันเป็นสิ่งที่ปุถุชนเกี่ยวข้องหรือว่าสามารถจะรับรู้ได้ อ, อย่างชัดเจนเร่ตั้งแต่เกิดภัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาตกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือว่ามันทุกข์เพราะความปรุงแต่งไม่ใช่ทุกข์เพราะเกิดพัสสะขึ้นมา เพียงแค่เกิดผัสสะเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นรินได้รสหรือว่ามีสิ่งสัมผัสต้องการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสัมผัสกับสิ่งที่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะทำให้เป็นทุกข์มันยังไม่ใช่อย่างัทีเดียวมันเป็นทุกข์เพราะความปรุงแต่งที่เกิดขึ้น ทุกในที่นี้เราหมายถึงทุกใจนะเพียงแค่ตากระทบลูกไปจนถึงกายได้สัมผัสสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่าจะเป็นแดดเป็นน้ำเป็นไฟนมันก็ทำให้เกิดแต่ทุกกายแต่ว่าทุกใจไม่เกิดทุกใจเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการปรุงแต่งการปรุงแต่งปรุงแต่งนี่พูดในความหมายที่กว้าง ปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมาหรือว่าการให้ค่าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่เราให้ค่าว่ามันไม่ดีมันมันน่าเกลียดเพราะถูกสั่งสอนมาเพียงแค่เห็นก็เป็นทุกข์และเช่นเห็นเห็นอุจจระเห็นน้ำเน่าหรือได้กลิ่นกลิ่นจาก ขยะเราก็ถูกสอนมาว่ามันไม่ดีมันน่าเกลียดมันเหม็นจะเรียกว่าถูกโปรแกรมมาก็ได้หรือว่าถูกล่อหล อ, อมมาอย่างนั้นพอสัมผัสเกิดขึ้นปุ๊บมันเกิดอาการคือเป็นทุกข์อันนี้ก็เลยปรุงแต่งเหมือนกันนะคือการให้ค่ า, ากับสิ่งต่างกาันให้ค่าว่า ด, ดีไม่ดี หอมไม่หอมหรือว่าถูกผิดเห็นคนยืนคำหัวพระยืนคำหัวผู้ใหญ่หรือเห็นคนยืนนั่งยืนเท้ามาที่พุทธลูกเห็นแค่เห็นใจก็ถูกละอันนี้เพราะว่าถูกสอนมาว่าทำอย่างนี้ไม่สุภาพ แต่ฝรั่งเขาไม่รู้สึกเลยฝรั่งเขาเห็นก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เพราะว่าการสาวการสั่งสอนอบรมไม่เหมือนกันนี่มันก็การให้ค่าการตีความมันก็เลยต่างกันเวลาขับรถ กดแตรได้น네เสียงแตรในบางถิ่นบางที่ก็รู้สึกธรรมดาแต่ในบางถิ่นบางที่ก็รู้สึกว่าไม่สุภาพการกดแตรนี่เป็นคำดาแต่ว่าในบางประเทศอย่างที่นี่อาจจะเป็นการทับทายก็ได้เห็นเพื่อนเขาเห็นเพื่อนขับรถใกล้ๆกดแตร <S <s เพื่อนได้ยินก็ไม่โกรธอะไรกลับรู้สึกเออดียิ้ม แต่ว่าในบางวัฒนธรรมกดแตกก็หาว่ดดาด่าได้ยินเสียงแตกก็เป็นทุกข์นี่ยคือการให้ค่าให้ความหมายที่นี่ที่กดแตกมีการขอรบก็มีนะเวลาลงไปทางบันธานผ่านสารปูญญ่ยหาก็จะชาว บ, บ้าน ก, กดแตกนะแสดงความขารบได้ยินเสียงแตกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกดีที่ตามเออกำลังเคารบ ปูย่ย่าปู่ตาแต่ถ้าฝรั่งอาจจะบอกว่าเออ น, นี่มันก ด, กดแต่งไว้เรียกว่าด่ากันเป็นสีอยากที่ไม่สุภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งนอกจากปรุงแต่งตัวตนปรุงแต่งเป็นตัวตนหรือว่าการให้ค่าแล้วก็ยังรวมถึงการยึดมั่นถือมัน่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นการปรุงแต่ง อุปาทานนั่นเองถ้าคนเราเนี่ยเพียงแค่เกิดผัสสะขึ้นมายังไม่ทุกข์นะแต่มันต้องปรุงแต่งถึงเป็นทุกข์ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมีคนตาหนิเพียงแค่ได้ยินเสียงตาหนินี่ยังไม่ทำให้ทุกข์นะแต่เพราะความยึดติดถือมันว่าได้ปรุงแต่งว่าเขาด่าเราเขาด่าเราความรู้สึกว่า เสียเซลเสียหน้าก็ทําให้เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ปรุงแต่งในอย่างนั้นเนี่ยแต่มีโยนิโสมัสสิการมาแทนเออที่เขาพูดมาจริงไหมที่เขาพูดถูกไหมมันก็ไม่ทุกข์นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีไม่ทันจะมีโยนิโสมัสสิการหรือไม่ทันจะมีสตินะได้ยินเสียงคําว่าคําวิจยัยคําทวงติงก็โกรธแล้วถ้าเพราะว่า มันปรุงแต่งตัวตนมาอย่างฉับพลันทันทีเล ย, เลยมีตัวตนเข้าไปถูกกระทบถูกกระทบด้วยคําด่านะั้นด้วยความวิจารณ์ด้วยคํามทุงติงนะั้นให้ความสุกว่าฉันเก่งฉันเก่งพอได้ยินคําวิจารณ์ทุ่งติ่งมันก็เกิดความสึกบีบพั้งขึ้นมาทันทีไอ้การที่ปรุงแต่งตัวตนนี้ก็เรียกว่า เป็นการเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งให้ลําพังจะพาะแค่หูดินเสียงคำวิจารณ์นี่ยังไม่ทําให้ทุกข์นะแต่พอปรุงแต่งหรือการให้ค่าจึงเป็นทุกข์ถ้าจะไม่ปรุงแต่งได้อย่างไรจะไม่ทุกข์ได้แล้วก็ทําได้สองอย่างคืออันที่หนึ่งปรุงแต่งในทางบวกนะปรุงแต่งในทางบวก เดี๋ยวนิสโตรสมสิกการนี่ก็เป็นการปรุงแต่งในทางบวกเช่นมองอยงบวกว่าเออเขาเขอาววิจารก็ดีเหมือนกันนะจะได้ทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองขเข่าววิจารก็ดีนะจะได้เป็นการฝึกสติเราว่าเราจะจะไวต่อคาวิจารไหมเราจะหวนไวต่อคาวิจารไหมนี้เรียกว่าปรุงแต่งในทางบวก คิดในทางบวกก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งอย่างหนึ่งคิดทางบวกนี่เขเรียกว่าเป็นคนที่สมและสิ ก, การได้เรื่องที่เคยเล่าเรื่องพระกุณนะพระกุณนะถูกว่าเอพระกุณนะจะไปเมืองสุนัปันตะพระเจ้าก็ท้วงว่าคนสุนับปันตะนั้นดุร้ายนะถ้าเขาว่าท่านท่านจะว่าอย่างไรท่านจะคิดอย่างไรพระกุณนะก็ตอบว่าเขาว่าก็ก็ดีกว่าเขา ทุกตีถ้าเขาทุกตีแล้วท่านจะว่าอย่างไรเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาก็อนหินมาคว้างเขาก็เห็นมาค ว, ว้างท่านจะว่าอย่างไรเขาก็เห็นมาคว้างก็ดีกว่าเขอาของแหลมมาเขาเอาไม้มาฟาดถ้าเขาเาาขอาไม้ามาฟ า, า, า, า, าดจะทํำอย่างไรจะคิดอย่างไรขเขาเอามมาฟาดก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงเขาเอาของแหลมมาแทงจะคิดอย่างไรพระเจ้าประทาน โอ้นักก็ตอบว่าก็ดีกว่าเขาเอาเขาค่าให้ตายถ้าเขาค่ายตายท่านจะว่าอย่างไรเขาค่าใตายก็ก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีหาไม้มาทำร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนแต่นี่ถ้าเขาทําให้ข้าพระองค์ตายก็ก็ดีพวกนี้คือไม่เหนื่อยอันนี้ท่านก็เป็นการมองในแง่บวกก็เป็นการปรุงแต่งในทางบวกเรื่อปรุงแต่งนี่คือคิดในทางบวก เขาว่าก็ดีกับเขามาทุกตีทําลายและการคิดในทางบวกหรือาการปรุงแต่ทางบวกนี่ก็ช่วยทําให้ไม่ทุกได้หรือว่าทําให้ปรุงแตทางบวกก็มีสติใช้อีกวิธีหนึ่งคือการมีสติการมีสติเห็นเวทนาที่เกิดขึ้น เ, เมื่อเห็นส่ิเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นปัญหา มันก็หยุดท่านนั้นเพราะไม่มีความยินดียินร้ายตสติกับ ส, สติกับโยนิสโสมสิกการหรือปัญญานี่ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะเป็นที่จะช่วยให้เราไม่ไม่ทุกไปไม่ถูกบีบคั้นในยามที่เกิดผัสสะขึ้นมา จะเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นสะพานก็ได้คือทุกเนี่ยมันจะมาถึงเรามาถึงจิตถึงใจเราได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีสะพานสโตโรนี่มันจะเข้ามาในเมืองได้เนี่ยมันก็ต้องข้ามสะพานเข้ามาถึงจะเข้าไปในเมืองได้ส่วนใหญ่ สะพานก็ส่วนใหญ่สะพานก็เรียกว่าไม่เคยถูกชักขึ้นเลยเวลาตายเห็นรูปปุ๊บหูดินเสียงปุ๊บนะมันก็ปรุงแต่งต่อไปศัตรูเข้ามาถึงหน้าถึงในมือแล้วก็ข้ามสะพานเข้ามา เข้าไปในเมืองแล้วก็ก่อปัญหาเผาเมืองยึดเมืองแต่ถ้าเรามีสติมีสัม ป, ช, ปชัญญะหรือมีปัญญาแม้ศัตรูจะเข้ามาแต่ว่าพอมาถึงสะพานเราก็ชักสะพานมันก็เข้ามาไม่ได้ก็คือเปลี่ยนมันก็ว่าทุกกายแต่ว่าไม่ทุกใจเพราะว่า มันไม่มีสะพานที่จะทำให้ความทุกข์กายนั้นลุกลามกลายเป็นความทุกข์ใจชักสะพานขึ้นสชไมไม่มีการปรุงแต่งตส่วนใหญ่นี่เราไม่ค่อยชักสะพานเท่าไหร่ปล่อยให้สะพานมันอยู่อย่างนั้นแหละพอทุกข์กายปุ๊บ มันก็เลยตามมาได้ความทุกข์ใจพอมีเวทนาพุกมันก็เลยต่อเป็นตัณหาอุปาทานภพชาชรามรมนาทุกทมมันอุปายากมันมีความสืบเนื่องกันเพราะว่ามันไม่มีการชักสะพานนั่นเองสตินี่มันเหมือนกับเป็นการชักสะพานไม่ให้มันลุกลามต่อไปทุกข์กายจะไม่ทุกข์ใจหรือว่า มีศัตรูเข้ามามันก็ไม่สามารถที่จะบุกลุกเข้าไปถึงใจได้ยิ่งถ้ามีปัญญาถึงขั้นว่าโอ้สิ่งต้องปั้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยยิ่งเราไปยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่เราก็ทุกเพราะว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่มัน จะเป็นสุขแตอย่างแท้จริงเพราะตัววันนี้ก็ถูกบีบคั้นมันก็ไม่ต่ายจากการที่เราไปพิงเสาแต่เสานั้นเนี่ยมันก็เป็นเสาที่เปราะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นเสาที่แข็งแรงแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเสาที่เปราะก็ได้พอมันมันเปราะมันผุพังเสานั้นพังทลายเราก็เลย ตัวกระแทกพื้นเลยเพราเราอิงก็มันเต็มที่เราอิงสังอิงเสาเข้าไปเต็มที่พอมันเสื่อมมันปูพังไปเราก็ล้มกระแทกพื้นก็เจ็บนี่คือทุกข์ของคนที่คนส่วนใหญ่พอมีอุปท า, านคือความยึดมั่นถือมั่นเอาความสุขไปฝากไว้กับมันพอมันทุกข์พอมันแปรสภาพไปเราก็เลย ทุกตามไปด้วยไปพิงไปพิงเสาเสาพังเราล้มกระแทกพื้นเจ็บนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนต่วนใหญ่ที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือแม้กระทั่งร่างกายจิตใจของเราเองให้พวกนี้มันมันทิ้งไม่ได้สักอย่าง คือพิงได้ชั่วคราวแต่ถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักถ้าไม่เลิกพิงไม่รู้จักยืนได้ด้วยตัวเองนะก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้นผู้จ้างที่เขาเปลี่ยนมันก็ว่าอันนี้ฉันใช้กับพ่อ ก, การมาสุข ความสุขที่เกิดจากการคือเกิดจากรูปร่างจิตใจธรมพันธ์เนี่ยก็เหมือจากการที่เราเดินยืนยืนถือค้อฟไฟต้านลมมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าไฟมันก็แรงถ้าไม่รีบปล่อยมันก็จะไหมลาม ม, ามันก็จะลามไปจนกทั่งไหมมือไมมมือไมมตัว ท่านบอกว่าต้องรีบปล่อยต้องรีบวางอันนี้ก็หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นหรืออุปตานนั่นเองใน <c oughs> สิ่งเทั้งหลาทั้งปวงนี่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเวลามันถูกบีบคั้นแล้วเสื่อมสลายไปมันก็ไม่สามารถจะบีบคั้นเราได้แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันพอมาถูกบีบคั้นจนเสื่อมสลายเราก็ถูก บีบคั้นดัเ น, นี้ยถ้าหากว่าไม่อยากจะทุกข์เพราะความถูกบีบคั้นหรือมีเวทนาที่จะมาบีบคั้นใจเราก็ต้องถึงที่สุดก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่มีอุปาทานซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการที่จะตัดตอนความทุกข์ได้ มีภัรษามีเวทนาแล้วก็ไม่ปรุงเป็นตันาอุปทานพบชาติชรามรณทุกโทมนานาอุปายาตันนี้ก็ผู้สุกยอนะ่อยๆพวกเราสนใจเรื่องปจิตจากก็ก็อธิบายย่อยๆอย่างนี้แหละนะ